ท่าพิพังคสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมให้ป ก, กุฎสาติกุลบุตรฟังนั่นเอคือประวัติเรื่องราวของท่านพระป ก, กุฎสาติมีอยู่ว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่สวยราชสมบัติในพระนครราชเครืกในมัชชิมะประเทศนัเมือ ง, ร, อาง ร, ราชครือกนะเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบอ่ะพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นใหญ่ พระเจ้าปกุตสาตินิสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครตักกศิลาในปัจจันตประเทศเท่าหลายๆท่านเขาบอกว่าเมืองตักกศิลานั้นตอนนี้อยู่ประเทศปากีสถานนีนะอยู่แถวๆประเทศปากีสถานพผนจากราชครื่อไปกับปากีสถานนี่ก็ร้อยเก้าสิบประโยชน์นะคูณสิบหกกิโลเมตรเท่าไหร่่นะก็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 พระเจ้าพิมพิสารก็เลยถามพ่อค้าเหล่านั้นผู้ยืนถวายบังคมว่าพวกท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนพ่อค้าก็บอกว่าอยู่พระนครตากศิลาพระราชาก็ถามถึงความเกษมความที่พิกษาหาได้ง่ายเป็นต้นของชนบทก็สอบถามเกี่ยวกับประวัติเมืองตากศิลาความเป็นไปเป็นมาความดํารงอยู่การครองชีพข้าครองชีพเป็นอย่างไรงงแล้วก็ประวัติพระนครกับพ่อค้าเหล่านั้น นี่ก็ถามถึงว่าพระราชาของท่านมีชื่อว่าอะไร <Okay. S 1> พระราชาเมืองตักกิลาเนี่ยนะชื่ออะไร mm hmm. พอค้าก็บอกว่าพระเจ้าปุกกุสาติพระพุทธเจ้าค้าพระเจ้าพิมพิสารก็ว่าพระราชาของท่านนี้ดำรงอยู่ในธรรมหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าปุ ก, กุสาตินี้ดารงอยู่ในธรรมทรงสงเคราะห์ประชาชนด้วยสังขาวัตถุสี่ประการนะ คือทานปิยวาจาอัถจริยาแล้วก็สมานตะต า, ตานี่ยนะทรงดํารงอยู่ในฐานะเป็นมารดาบิดาของโลกทรงยังชนดุดพารกเนี่ยนอนบนตักให้ยินดีนั้นเป็นพระราชาที่ปกครองบ้านเมืองอยู่ในธรรมประชาชนที่เมื่อแควนตักกศิลาเนี่ยก็อยู่กันสงบร่มเย็นเหมือนพ่ออยู่ในอ้อมอกเอ่อเหมือนลูกที่อยู่ในอ้อมอกของพ่อฉะนั้นเหมือนกัน ทนี้ก็สอบถามถึงอายุเนี่ยนะว่าพระเจ้าปุกุสาตินี่มีอายุเท่าไหร่สอบถามก็ได้ว่าอายุเท่ากันกับพระเจ้าพิมพิสารครั้งนั้นพระราชาก็เลยพระเจ้าพิมพิสารก็ถามพ่อข้าเหล่านั้นว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายพระราชาของพวกท่านดํารงอยู่ในธรรมแล้วก็มีอายุเท่ากันกันกบเราพวกท่านอาจทําเพื่ออาจทําพระราชาของพวกท่านให้เป็นเพื่อนกับเราได้หรือ สมัยสมัยก่อนเขามีแบบอะไรนะเพื่อนต่างหน้ากันในชะ่เพื่อนไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ว่ารักกันเสมอด้วยชีวิตอย่างเงี้ย น, นะโบราณ น, นี่เขาเป็นแบบนั้นสมัยใหม่อาจจะไม่มีแล้วละ่ะแต่ว่าสมัยก่อนนี่เขามีนีนะเขาเรียกว่าเพื่อนที่เขารู้ว่าอยู่บ้านโน้นะแต่ว่ารักกันทั้งยังไม่เคยเห็นกันนะี่แหละแต่ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกัลกนผูกพันกันอะไรนะภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะกเลอเหรอ <c oughs> เป็นกเลอกันเป็นอะไรกันอันนี้เรียกว่าเป็นมิตร ทนี้พ่อค้าก็รับว่าจะขอเป็นทูตเนี่ยนะจะได้เป็นมิตร ก, กันกับพระราชาทั้งสองฝ่ายพระราชาก็ดีใจใช่ไหมก็เลยลดภาษีให้ทั้งหมดเลยนะพระพวกพ่อค้าที่มาจากเมืองตากศิลาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็ยังให้เรือนรับรองอีกเนี่ยนะให้จับที่พักให้เบ็ดเสร็จหมดไม่ต้องไปเช่าโรงแรม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 ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงบรรณญการแก่พระเจ้าปกุศสาติว่ารัตนะทั้งหลายมีแก้วมณีและมุกดาเป็นต้นย่อมเกิดในปัจจันตะประเทศรัตนใดที่ควรเห็นควรฟังเกิดขึ้นในราชสมบัติแห่งพระสหายของเราขอพระสหายของเราจงอย่าตรณีในรัตนนั้นนะคือถ้ามีของดีๆของประเสริฐของวิเศษของน่าพบน่าเห็นหน่าฟังเนี่ย เกิดในบ้านเมืองของท่านอยากขี้เหนียวนะแบ่งกันบ้างเน้อนะแจกแจกกันดูบ้างละกันฝ่ายพระเจ้าปุกกุสาติก็ตอบไปว่าธรรมดามัชชิมประเทศนี้เป็นมหาชนบทรัตนะเห็นปานนี้ใดย่อมเกิดในมหาชนบทนั้นขอพระสหายของเราจงอย่าทรงตนีในรัตนะเหล่านั้นสรุปว่ามีของดีก็อย่าตนีกันนะจะทงส่งเงินบ้างเมื่อการล่วงไปเนี่ยนะวันเวลาก็ผ่านไป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 พระราชาก็เลยคิดว่าผ้ากำพลเหล่านี้งามอย่างยิ่งเราจะส่งไปให้พระสหายของเราส่งส่งอํามาตถ์ทั้งหลายด้วยพระดํารัสว่าพวกท่านจงให้ทําพระอบแข็งแรงเนี่ยแปดพระอบเท่านะเท่าก้อนครั่งใส่ผ้ากำพลเหล่านั้นในพระอบเหล่านั้นแล้วก็ให้ประทับด้วยครั่งพันด้วยผ้าขาวใส่ไปในหีบพระนะแล้วก็พันด้วยผ้า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 พระสหายของเรานี่มีพระหาฤทัยรุ่งเรืองจึงส่งพระราชบัญการนี้ไปให้นะก็คิดว่าสงสัยพระราชาเมืองโน้นน่ยคิดเล่นมากเลยนะก็หาก้อนเด็กก้อนครั่งนะสมัยก่อนมันของเด็กเล่นนะไอ้ก้อนข้างเนี่ยพวกเด็กๆก็เอาพวกก้อนข้างเนี่ยมาเล่นกันใช่ไหยถ้าสมัยนี้ก็เหมือนเอาดินน้ํามันอ่ะส่งดินน้ํามันไปให้อนะเปิดดูก็เห็นดินน้ํามันอนะว้ามันว่างขนาดนี้เลยหรือไงส่งดินน้ํามันมาให้กันดูเนี่ยนะก็เลยดำริคิดอย่างนี้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 พระราชบัญการเห็นตา น, นี้สมควรแท้เพื่อทําพระราชาเห็นตา น, นั้นให้เป็นมิตรเนี่ยนะโอ้ดีเหลือเกินนะถ้าได้เพื่อนขนาดนี้นะขนาดยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะส่งของมีค่าขนาดนี้มาให้พระราชาก็ให้ตีราคาผ้ากําพลแต่ละผืนผ้ากําพลทุกผืนหาค่าไม่ได้เนี่ยนะแสดงว่าแพงมากเลยนะสมัยนั้นของเราเนะผ้ามีไม่ราคาขนาดนี้นะผ้าหาค่าไม่ได้ยุคนี้มีไหม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 จากนั้นมาพระราชาก็คิดว่าการที่เราเนี่ยเมื่อจะส่งภายหลังก็ควรส่งบรรณัการที่ดีกว่าบรรณัการที่ส่งแล้วก่อนะส่งที่หลังก็ต้องดีกว่าคนก่อนให้มาใช่ไหมก็เลยพระสหายก็ส่งบรรณัการอันหาค่าไม่ได้อะหาค่าไม่ได้ให้แก่เราเราจะส่งอะไรดีหนอก็บอกว่าก็ในกรุงราชครึกไม่มีวัตถุที่ดียิ่งกว่านั้นหรือแต่บอกคนไม่มีก็หาไม่ได้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 าบางท่านก็อาจจะคิดแบบนี้นอกจากพระรัตนตรัยนะบางคนนี่มีจิตโสมนัสมากพระองค์ก็เลยปรารบเพื่อจะทรงเลือกรัตนะนะรัตนะนี้ก็โดยความหมายก็คือสิ่งที่หาค่าไม่ได้นะสิ่งที่หาค่าไม่ได้ช่างไม่ได้มีคุณอันประเสริฐพบเห็นได้ยากคนตามสามไม่มีสิทธิใช้สอยเนี่ยนะ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 ในรัตนะสองอย่างเนี่ยนะรัตนะที่มีวิญญาณประเสริฐที่สุดรัตนะที่มีวิญญาณก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือเดรัชานรัตนะกับมนุษย์รัตนะเดรัชานรัตนะก็คือพวกช้างพวกม้าดังกล่าวไปถ้าเป็นมนุษย์รัตนะก็เป็นอะไรเช่นอิทฐีรัตนะหรือพระเจ้าจากักรพรรดิทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นเรียกว่ารัตนะ ม น, มนุรัตนะนี่ประเสริฐกว่าเดรัชานรัตนะมนุรัตนะก็แบ่งเป็นสองคือที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงอิทธิรัตนะปุริสารรัตนเนี่ยนะในบรรดาผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงก็ถือว่าเป็นเป็นของอุปโภคของผู้ชายบางเง้เป็นเครื่องใช้สอยของผู้ชายบางเง้ยมันก็มันปุริสารัตนะเนี่ยนะบุรุษก็ถือว่าประเสริฐกว่าผู้หญิง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 เป็นรัตนะที่ประเสริฐกว่าพระเจ้าจากักรพรรดิทีนี้ในบรรดานักบวชนี่ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือที่เป็นเสขะกับอเสขะอน น, นเสขะก็คือยังศึกษาในไตร ย, ย, ยศึกษากับศึกษาจบแล้วผู้ที่ศึกษาจบแล้วคือพผ้ารหันเนี่ยประเสริฐที่สุดทีนี้ในบรรดาผ้ารหันเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือที่เป็นสาวกกับผู้ที่ตรัสรู้เองอย่า น, นะ บรรดาผู้ที่เป็นสาวกกับตรัสรู้เองเนี่ยท่านถือว่าผู้ที่ตรัสรู้เองประเสริฐที่สุดคือสาวกแม้เป็นหมื่นเป็นแสนก็โซ่พระประเจกไม่ได้ยังไงนในบรรดาพุทธรัตน์เนี่ยนะที่ตรัสรู้เองก็แบ่งเป็นสองประเภทคือเป็นพระพุทธเจ้ากับพระประเจกกับพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระประเจกแม้ตั้งแสนก็ไม่ถึงส่วนแห่งพระสัพพันย์อูเอาพระประเจกกับพุทธเจ้ามานั่งเรียงเป็นแสนองค์ก็ไม่ถึง พระพุทธเจ้าเพราะในรัตนะสองอย่างนั้นพระสัพพันญูพุทธสัพพันญูพุทธรัตนะเท่านั้นประเสริฐที่สุดด้วยประการชนีก็ขึ้นเชื่อว่ารัตนะที่เสมอด้วยพระพุทธรัตนะย่อมไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะนะก็ลองไล่ดูนะว่าสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเนี่ยของมีชีวิตมีค่ามากที่สุดใช่ไหมถ้าเทียบกับไม่มีชีวิตทีนี้สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็แบบมนุษย์กับเดรัชานมนุษย์ก็มีค่ากว่า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 รัตนะสามอย่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยย่อมปรากฏในชนบทของพวกท่านหรือพพ่อค้าก็บอกว่าแม้เสียงก็ไม่มีในชนบทนั้นการเห็นจากมีแต่ที่ไหนเหมือนนเหมือนกับว่าคําว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่เคยได้ยินเลยนะพระธรรมก็ไม่เคยได้ยินพระสงฆ์ก็ไม่เคยได้ยินจะเห็นมาจากไหนโน่ no. ไปไร้หลายแห่งเนี่ยนะคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมทุกวันเนี่ยนะ ก, ก็กลับเข้าสู่เหมือนยุคนั้นสมัยนั้นไปแล้วแทบจะไม่รู้จักพระรัตนตรัยอะไรเลยในประเทศอินเดียนเองเนี่ยตอนนี้ก็รู้จักพระพุทธเจ้าสักกี่คนไม่ทราบในประชากรร่วมพันล้านเนี่ยนะที่ได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีไม่กี่คนหรอกหรืออาจจะนึกถึงจังหวัดโบคายาเลยเนยโบคายาก็ได้แค่นั้นอ่ะก็อาจจะได้ยินแค่นั้นนะนะคือพุทธคยานี่าเรียกโบขายาน ะ, ะโอเขาชอบเป็นซะโอ ก็บโบขยาเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งของรัฐพิหารรัฐพิหารนี่มีหลายจังหวัดนะจังหวัดบโบขยามีจังหวัดหนึ่งอาจจะได้ยินอยู่เท่านั้นนะแต่ก็มีรัฐมหาราชรัฐมหาราชตอนนี้ก็ยังพอนับถือพระศาสนาอยู่บ้างแต่ถ้ารัฐอื่นๆนี่ก็หนักหนาสาหัสน่นละล่ะถ้าแถวแถวอะไนะตไกกะตักกาลกะตาเนี่ยนะอันนั้นไม่มีวัดพุทธแม้แต่วัดเดียว อันประชาชนเนี่ยมากๆมา ก, มา ก, มากพอๆกับกรุงเทพเนี่ยแต่ขนาดนั้นก็กันดารแห้งแล้งไม่มีแม้กระทั่งได้ยินว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหายากเต็มทีพรานในยุคนี้นี่ที่จะได้ยินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยหายากเต็มทีทวีปแอฟริกาเนี่ยแอฟริกานี่คิดว่าจะมีนับถือาศาสนามีบ้างไหยจามินี้ตะวันออกกลางนี่ก็หาธรรมย า, ยากะนะแอฟรกานี่ก็ แอฟริกานี่ก่อหนักนะสาหัสเหมือนกันออสเตรเลียนะน้อยเต็มทีอ่ะนะแต่ว่าขนาดประเทศไทยยังน้อยขนาดนี้นะถ้าเรียกว่าอะไรนะใจกลางอยู่แล้วนะหัวใจอยู่แถวๆนี้ก็ยังหมเป็นโรคเลือดรอเลี้ยงไม่ค่อยจะพออยู่แล้วนะจะกล่าวไปยัยถึงส่วนแขนส่วนขาเหมือนกันพันธราชาก็พอได้ข่าวว่าที่เมืองนั้นเนี่ยไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งคําว่าพระพุทธเจ้าก็เลยดีใจอ่า น, นะยินดีที่ คิดว่าเราเนี่ยจะส่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่สถานที่เป็นที่อยู่ของพระสาหายของเราเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ชนแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่ทรงแรมคืนในปัจจันตชนบททั้งหลายเพราะฉะนั้นพระศาสดาจะไม่อาจเสด็จไปพระพุทธเจ้าจะไม่ไปไปค้างคืนที่นั่นเหมือนกนก็อาจจะส่งพระมหาสาวกมีพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะเป็นต้นแต่เราก็ฟังว่าพระเถระทั้งหลาย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 ไปแล้วด้วยบรรณการใดพระาศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายก็เป็นอันไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจาักส่งสารด้วยบรรณการนั้นถ้าเทียบตามตรงนี้นะประเทศไทยมีพระไตรปิฎกก็เท่ากับมีพระตัตนะตรัยครบถ้วนใช่ไหมพระเจ้าพิมพ์ิสารจะนั่งจำลองพระไตรปิฎกได้ทั้งเล่มหรือเนี่ยนะนะก็ถ้าเทียบกับของเราแล้วเรามีพระไตรปิฎกแทบทุกหมดทั้งอย่างอ่ะนะมีครบถ้วนกระบวนความหมดอยู่ในแผ่นซีดีแผ่นเดียวเนี่ยนะจารย์ไมอ่านถึงไหนแล้ว วละยิบสามสิบหน้านะก็ยังดีอ่ะถือว่าอ่านจดหมายก็แล้วกันอ่านจดหมายที่พระเจ้าอาโศกส่งมางั้นคุณชูศรีอ่านจดหมายพระเจ้ า, าโศกบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยได้อ่านเนนะทีนี้จะบอกว่าจะส่งศารบรรณาการก็คือสรงพระไตรปิฎกอ่นนะนะพระาศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายก็เป็นอันไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะส่งสารไปด้วยบรรณาการนั้น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 ต้องตรวจเล็กนิดเดียวเลยนะจึงจะเนื้อหาได้เยอะๆเนี่ยนะถ้าเทียบไปแล้วพระไตรปิฎกของเราไม่ถึงห้าหนาเลยใช่ไหมตอนนับว่าไม่ได้เยอะอะไรทีนี้ก่อนที่จะเขียนรายละเอียดลงในแผ่นทองคำเนี่ยนะก็สงผเสียนแต่เช้าตรูปแปล ว, ว่าสะน้ำสะหัวตัง้งแต่เช้าเลยทรงอธิฐานอุโบสถเสวยพระกายอาหารเชา้าเปลื้องพระสุคนทักคันทมาลาและอภรณ์ออกอะนะก็ เรื่องเครื่องประดับทั้งหมดเพื่อรักษาอุโบสถเนี่ยทรงถือชาติสีแดง ส, สีแดงก็ไอพวกตัวเขียนเน่นะเป็นคล้ายๆเหล็กจานเนี่ยด้วยพระขันทองทรงปิดพระวารทั้งหลายตั้งแต่ชั้นล่างเสด็จขึ้นพระปราศาสาศา์เปิดสีหบัญชรคือหน้าต่างที่ตะวันออกนั่งประทับบนพื้นอากาศก็คือนั่งกลางแจ้งนะคำว่าพื้นอากาศ ก, าก็นั่งกลางแจ้งนั่นแหละลิขิตอักษรลงในแผ่นทองำคำก็ ไม่ใช่ลอยอยูน่นะพื้นอากาศก็คือที่โล่งๆอ่ะนะ ก, กลางแจ้งอันนันสมัยนี้ก็คือดาดฟ้านะพวกลักษณะพวกดาดฟ้าพวกอะไรนั่นแหละทีนี้ก็ลิขิตพุทธคุณโดยเอกเทศแปลว่าโดยบางส่วนนะไม่ได้เอามาทั้งหมดอะไรเช่น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 ทีนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าถ้าถ้าจะแปลนเนื้อความใช่ไหมว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์นั้นเป็นผราอรหรันอรหันกี่นายสิบเอนายใช่ไหมอรหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยนะก็ตรัสรู้อภิน์ยยธรรมเป็นต้นถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปด บริบูรณ์ด้วยจารณะ15สะเสด็จไปดีแล้วสเสด็จไปสู่อมตะนิพพานเป็นต้นเนะีะรู้แจ้งโลกขันสังขารโลกโอกาสโลกสัตวโลกนะอนุตโรไม่มีผู้ใด ย, ยิ่งกว่าด้วยศีลสมาธิปัญญา ว, วิมุตติยานทัศนะเป็นต้นนะปุริสธรรมสารทธิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกนะเะเพราะพระองค์ฝึกแล้วให้ได้สมาบัตแ8เป็นต้นนะ ศาสดาพระองค์เป็นศาสดาคือผู้พาหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามจากโอคะกันดาลสาธเาทวัมนุษย์สานังพุทโธคือเป็นพระพุทธเจ้ากำจัดราคะโทสะโมหะเป็นต้นโดยสิ้นเชิงพระควาผู้จำนแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะเนี่ยนะแล้วก็อธิบายเนื้อหาพระพุทธคุณว่าผู้ที่จะได้พระคุณดังกล่าวมานี่พระองค์บำเพ็ญบารมีสิทั์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 อย่างนี้เริ่มตั้งความเพียรใหญ่อย่างนี้บำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างนี้เสด็จขึ้นสู่ควงมหาโพธิ์ประทับนั่งบนอปราชิตบาลังแล้วแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานเมื่อแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานเป็นอันมีการเปิดโลกแล้วอย่างนี้ขึ้นเชื่อว่ารัตนะเห็นปานนี้ไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนี่ก็เป็นการแสดงพระคุณ คุณของพระพุทธเจ้านี้สามารถแสดงได้สามประการย่อยๆเนี่ยนะหนึ่งเาเรียกว่าคุณะคุณะคุณคุณนะนะคุณคุณะอย่างที่สองเาเรียกว่าจริยาคุณอย่างที่สามเรียกว่าสรีระคุณแบ่งออกเป็นสามอย่างนะที่ดังที่กล่าวไปเนี่ยอย่างอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนพวกนี้เขาเรียกว่าคุณะคุณคุณคุณก็คือคุณธรรมอ่ะนะอรหันต์เป็นต้นเขาเรียกว่าคุณะคุณ พระองค์บำเพ็ญบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมัตตบารมีสิบจนถึงมาได้ถือปฏิสนธิในคันอันนี้ เ, เรียกว่าปุพพเจริยาคุณคือเจริยาที่พระองค์ได้ประพฤติมาทีนี้เมื่อพระองค์เนี่ยมาู่พระคันและปฏิสนธิปฏิสนธิแล้วหลังจากนั้นประสูตรบริบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะ32สองอนุพยัญชนะแ0ดสิบอย่างนี้เขาเรียกว่าสรีระคุณสรีระคุณ คุณมูนมีจำได้ไมั้ยอะไ ร, ะรไมั่งเมื่อกี้ครับฟังอยู่รึเปล่าฟังแต่ไม่รู้เรื่องเอาละโ<ต>อ้โหปรามาตรธรรมเนะี่ยเนี่ย